มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการมุมมองข่าววันนี้ดิฉันด็อกเตอร์นิสากรภัยบุญสินพบกับคุณผู้ฟังทาง FM 8 9 5็มแสิเมสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจและต้องขอแสดงความยินดีกับกรุงเทพมหานครที่ได้ครองแชมป์อันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่4ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาเที่ยวในบ้านเราค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ช่วงนี้นะคะฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะ ทำไม้ายตาเย็นชาเวลาที่เราเจอกันทำไมต้องทำอะไรอย่างนั้นไม่เข้าใจเธอลืมไปแล้วหรือไงเรื่องราวครั้งนั้นภาพในวันวานที่ดีต่อกันหากวันนั้นฉันทำอะไร ที่ไม่ดีที่ผิดไปอยากจะขอให้ลืมมันไปได้ไหมกลับมารักกันเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจ ไม่อยากมีชีวิตอ้งางว้างอีกต่อไปก็มันทนไม่ไหวจริงๆก็ราะหัวใจรักแค่เธอในวันที่ไม่มีกันในใจของฉันว่างเปล่า ไม่เคยต้องเหงาอะไรแบบนี้พึ่งเข้าใจถ้าหากฉันย้อนเวลากลับไปวันวาฉันจะไม่ยอมให้เธอจากไปหากวันนั้นฉันทำเมื่อไรที่ไม่ดีที่ผิดไปอยากจะขอให้ลืมมันไปได้ไหม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 รักเธอคนเดียวเรากลับมาเป็น ยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจไม่อยากมีชีวิตอ้างว้างอีกต่อไปก็มันทนไม่ไหวจริงจริงเพราะหัวใจรักเธอคน คุณผู้ฟังค่ะผลการสํารวจของม a ส t ต r c a กาซึ่งได้มีการเปิดเผยจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้พบว่านะคะกรุงเทพมหานครได้ครองอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่4ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า22ล้านคนค่ะซึ่งการสำรวจของม a ส t ต r ร a r าดครั้งนี้นะคะเป็นการสำรวจเพื่อข้อมูลเฉพาะของภูมิภาคทางเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นค่ะและพบว่ากรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่น่าสนใจครองอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องในการที่ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางทั่วโลกมาพักแรมมีการจับจ่ายใช้สอยในระหว่างเดินทางค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกรุงเทพมหานครก็เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครและอีกสองแห่งนั่นก็คือภูเก็ตและพัทยาค่ะพบว่ามีนักท่องเที่ยวมาค้างแรมในภูเก็ต อยู่ถึง 9.9 ล้านคนและพัทยาอยู่ที่ 9.4 ล้านคนค่ะจึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียแปซิฟิกมีเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมกันถึงสเมืองด้วยกันคุณผู้ฟังคะนอกจากกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองสุดยอดของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วนะคะ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องของการเติบโตด้านการท่องเที่ยวไทยและข้อมูลเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยอีกด้วยค่ะผลการสำรวจยังระบุ ด, ด้วยนะคะว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่โดย 21.1 เปซเลือกประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทางอันดับหนึ่งตามมาด้วยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะนอกจากนี้นะคะ ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของนักเดินทางค้างคืนอย่างเช่นมาเลเซียและอินเดียอีกด้วยค่ะและนอกจากว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้นนะคะคนไทยก็ยังนิยมไปประเทศมาเลเซียญี่ปุ่นและประเทศลาวเช่นเดียวกันค่ะซึ่งผลการสารวจของมาส t ต r ร์กาดครั้งนี้นะคะ ยังพบอีกด้วยว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยม5แห่งในเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่กรุงเทพสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์โตกเกียวและโซลซึ่งทั้ง5เมืองนี้นะคะก็ได้ต้อนรับนักเดินทางกว่า 22% เเซนของนักเดินทางประเภทครั้งแรมที่เดินทางมายัาง161เมืองและศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ค่ะและยังทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยกว่า 25. เซอีกด้วยค่ะ มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็คือนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้เดินทางสำรวจทุกซอกมุมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากเป็นประวัติการ์นะคะนับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมานักท่องเที่ยวประเภทค้างแรมจากจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางมายังเอเชียแปซิฟิกเพิ่มจาก 10.5 ล้านคนเป็น 62.4 ล้านคนของปีที่แล้วค่ะ เรียกได้ว่าอัตราการเติบโตอยู่ที่ 21.9% นะคะจึงเห็นได้ชัดว่าจีนแผ่นดินใหญ่เป็น1ใน3อันดับแรกของประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่าง82เมืองในเอเชียแปซิฟิกค่ะนอกจากนี้นะคะเอเชียแปซิฟิกก็ยังมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกว่า342คนที่เดินทางมาด้วยจุดประสงค์ทางธุรกิจและเพื่อการท่องเที่ยวค่ะ ในส่วนของประเทศไทยนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดนะคะก็คือจีนญี่ปุ่นอเมริกาอินเดียและเยอรมันค่ะโดยจุดแข็งของกรุงเทพและประเทศไทยอยู่ที่การมีตำแหน่งเป็นศูนย์กลางของประเทศและภูมิภาคทำให้เดินทางสะดวกไปจุดหมายปลายทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้ๆเคียงก็ตามนะคะ ค่าครองชีพก็ไม่สูงมากเกินไปอาหารก็อร่อยแหล่งบันเทิงมีทุกๆด้านมีการบริการที่ดีมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีคนที่อัธยาศัยดีสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาเยือนค่ะสำหรับจุดอ่อนของกรุงเทพมหานครนะคะจากผลการสำรวจนะคะก็พบว่า มีระบบการขนส่งที่ต้องปรับปรุงรวมถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการความมีระเบียบและมีหลักเกณฑ์มีความปลอดภัยให้มากขึ้นด้วยค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเราไปกันที่ เรื่องของการลดใช้พลาสติกนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในความนิยมของทุกๆคนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วรายการมุมมองข่าวนี้ก็นำเสนอในเรื่องของการลดใช้พลาสติกมาโดยตลอดและถ้าคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นแฟนรายการก็จะพบว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการลดใช้พลาสติก ได้นี่นะคะก็คือภาคเอกชนนะคะเป็นผู้ที่ได้มีการเริ่มนะคะตอนนี้มีผลการสำรวจค่ะออกมาว่าผู้บริโภคต้องการให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกมีบทบาทในการลดใช้พลาสติกซึ่งผลการสำรวจนี้นะคะได้ทำการสำรวจผู้บริโภคกว่า 65,000 คนทั่วโลกนะคะในเรื่องของทัศนคติต่อการใช้พลาสติกป้องกันปัญหาพลาสติกในระดับโลกนะคะ มีเพียง19ปเซนนะคะที่เชื่อว่าพวกเขาควรรับผิดชอบขยะพลาสติกด้วยตัวเองแต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทางผู้ผลิตสินค้าและร้านค้าปลีก มีวิธีดำเนินการในการจัดการขยะพลาสติกให้มากที่สุดแทนที่จะให้รัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทในการกำจัดพลาสติกค่ะและ48เอร์เซนก็มองว่าผู้ผลิตมีมาตรการและปูแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะผลการสำรวจนี้มีเพียงหนึ่งในห้า ของทั่วโลกเท่านั้นนะคะที่มีความพยายามในการบริโภคสิ่งต่างๆอย่างมีสติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดในขณะที่ผู้บริโภคเกือบครึ่งหนึ่งต่างเพิกเฉยกับปัญหานี้ค่ะดังนั้นผลการสํารวจของการ์ต้า น, นี้ได้สร้างกลุ่มผู้บริโภคเป็น4กลุ่มด้วยกันเพื่อจัดหมวดหมู่ในการศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดจํานวนขยะ นั่นก็ได้แก่ eco active eco believer eco c o n c e r และ eco dismisser นะคะพบว่าผู้บริโภคทั่วโลก16เป็นเป็นกลุ่ม eco active คือเป็นผู้ซื้อที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างเต็มที่กลุ่มนี้มีแนวโน้มที่ต้องการใช้สินค้าและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ และพฤติกรรมหลักของคนกลุ่มนี้ 80% นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกถึง 75% ด้วยกันลดการใช้ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งถึง6 6% และหลีกเลี่ยงการใช้สินค้าที่มีแพ็กเกจจิ้งพลาสติกและกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่ากลุ่มอื่นๆอีกด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นกลุ่มที่มีอายุ50ปีขึ้นไป และจากการสำรวจก็ยังพบอีกนะคะว่าผู้บริโภคกว่า43เเซมองว่ากลุ่มคาปลีกต้องการมีบทบาทสําคัญและมีมาตรการในการลดการใช้พลาสติกลงนะคะควรงดการใช้ถุงพลาสติกสําหรับการใส่สินค้านะคะที่เป็นของสดต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วผู้บริโภค2ใน5ยินดีที่จะจ่ายเงินมากขึ้นสําหรับการใช้แพ็กเกจจิ้งที่สามารถรีไซเคิลได้ค่ะ คุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องพลาสติกเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันแก้ไขนะคะไม่ใช่ผลักความรับผิดชอบไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณคุณผู้ฟังคิดอย่างนั้นไหมคะ ผู้บริโภคก็ควรจะใช้สินค้านะคะหรือว่าการบริการอย่างมีสติเวลาเราไปซื้อของตามตลาดสดหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็ถือถุงผ้าหรือถือตะกร้าไปด้วยก็เป็นทางออกที่ดีนะคะเพราะว่าในบ้านเรานะคะกรุงเทพมหานครปีหน้าวันที่หนึ่งมกราคมเราจะเริ่มต้นนะคะในการที่จะจ่ายเงินนะคะสำหรับเรื่องของถุงพลาสติกกันแล้วนะคะ เราสามารถที่จะทำได้ง่ายๆเนื่องจากว่าประเด็นของถุงพลาสติกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องตระหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยและเป็นประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศทางยุโรปเนี่ยจะมีมาตรการอย่างจริงจังนะคะในการงดการใช้ถุงพลาสติกนะคะเริ่มตั้งแต่การรณรงค์นะคะไปจนถึงการเก็บเงินนะคะเมื่อต้องการใช้ถุงพลาสติกก็จะต้องมีการซื้อขายเกิดขึ้น ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นประเทศล่าสุดค่ะที่มีการเตรียมมาตรการในเรื่องของการเรียกเก็บเงินผู้บริโภคสำหรับการใช้ถุงพลาสติกมีผลบังคับใช้แล้วนะคะกับห้างสปปรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เกต็ตร้านสะดวกซื้อร้านขายยาห้างสปปรรพสินค้าเพราะว่าในปีหน้านะคะประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นจึงมีแผนที่จะร่างกฎหมายงดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ในขณะที่ห้างค้าปลีกต้องการที่จะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าผู้บริโภคต้องการที่จะใช้ถุงพลาสติกใส่ของค่ะเบื้องต้นนะคะก็มองว่าถ้ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ถุงพลาสติกหนึ่งใบราคาอยู่ที่10เยนนะคะ ในเรื่องของการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกนะคะร้านค้าปลีกเหล่านี้ก็บอกว่าเมื่อเขาเก็บเงินแล้วเขาก็จะเอาเงินเหล่านั้นไปใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกป่าปลูกต้นไม้หรือจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลให้ได้มากที่สุดคะ่ะนอกจากร้านค้าปลีกระดับใหญ่แล้วนะคะญี่ปุ่นก็ยังมุ่งไปยังร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ในมาตรการของการงดใช้ถุงพลาสติกเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการผลิตขยะพลาสติกมากที่สุดนะคะและประเทศสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันแต่ว่าสหรัฐอเมริกาได้มีมาตรการในการควบคุม การใช้พลาสติกอย่างจริงจังแล้วนะคะถ้าหากว่าเราไปซื้อสินค้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้านี้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการใช้ถุงพลาสติกเราต้องจ่ายเงินนะคะและญี่ปุ่นก็กาลังที่จะเตรียมการในเรื่องนี้เนื่องจากว่าในปีหน้านะคะเขาจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ญี่ปุ่นได้เตรียมแล้วนั่นก็คือ ได้วางแผนค่ะที่จะทำโพเดียม ร, รับเหรียญรางวัล น, นี่นะคะโดยใช้พลาสติกรีไซเคิลค่ะเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาของขยะพลาสติกในโลกปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังค่ะมาตรการงดใช้พลาสติกนี้นะคะก็เป็นแรงกระเพื่อมทั่วโลกนะคะ ของชาวโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าผลกระทบนะคะของถุงพลาสติกเนี่ยก็ไปอยู่ในท้องของสัตว์ทะเลต่างๆนะคะทำให้สัตว์ทะเลเหล่านั้ น, นต้องเสียชีวิตลงบังคลาเทศนะคะเป็นประเทศแรกในโลกนะคะที่มีมาตรการเกี่ยวกับการห้ามใช้พลาสติกมาตั้งแต่ปี2002และ เขาพบนะคะว่าการใช้พลาสติกที่มีขนาดบางเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ท่อระบายน้าของประเทศบังกลาเทศอุดตันจนเกิดให้เกิดน้าท่วมสร้างความเสียหายให้กับประเทศค่ะตอนหลังนะคะเขาเลยเปลี่ยนถุงพลาสติกนั้นนะคะมาทาด้วยอ้อยนะคะแล้วนะคะก็สามารถที่จะลดการใช้พลาสติกลง ในส่วนของบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะคะประเทศไทยก็เริ่มมีการงดการใช้พลาสติกอย่างจริงจังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะและในวันที่1มึมกราคมของปีหน้านะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดลืมตะกร้าหรือว่าลืมถุงผ้าไปและต้องการใช้ถุงพลาสติกเขาก็มีให้นะคะแต่ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของบ้านเรานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชานะคะประเทศเพื่อนบ้านก็มีมาตรการเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกในซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงฮ่องกงนะคะก็ได้วางเกณฑ์นะคะให้กับผู้ค้าริมทางไปจนถึงร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในการเก็บค่าใช้ถุงพลาสติกในอัตราไม่ต่ำกว่า 0.5 ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะหรือว่าต้องการปลุกค่านิยมให้ชาวฮ่องกง เอาถุงม่เองนะคะรวมไปถึงประเทศอินเดียนะคะที่หลายๆคนมองว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีมลพิษมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง<ม>ก็ได้มีมาตรการเกี่ยวกับการห้ามใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งเช่นกันนะคะ คุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามสําหรับประเทศไทยนะคะก็มีโจทย์สําคัญที่ว่าจะมีมาตรการลดถุงพลาสติกในระดับร้านค้าครัวเรือนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสดหรือว่าร้านค้าย่อยซึ่งก็จําเป็นต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการทางภาษีบังคับผู้ค้าทุกคนนะคะเหมือนที่เคยเกิดเช่นเดียวกับ ที่ต่างประเทศนะคะมิเช่นนั้นแล้วนะคะการลดพลาสติกในประเทศไทยนะคะก็จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่บางภาคส่วนของประเทศเท่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะทำได้อย่างสมบูรณ์นะคะแต่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆตอนนี้นะคะก็ได้มีมาตรการแคมเปญ น, นะคะงดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้าหรือว่าบางร้านนะคะก็จะนิยมไปแจกถุงกระดาษแทนค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เคยมีข่าวในเรื่องของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะในอัตราร้อยละ7นะคะว่าจะขึ้นเป็นร้อยละ10นั้นตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะคะร่างพระราชะกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ7 เท่าเดิมนะคะโดยมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่30กันยายนของปี2563นะคะพูดไง่ายๆว่าก็จะ ยังคงเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร0อยละ7ต่อไปอีก1ปีทางนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะและสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชนอันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังช่วยในการสนับสนุนเสรีภาพเอ๊ะเทค่ะช่วยในการสนับสนุนสถิลภาพและความมั่นคงของ ประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งนะคะเรื่องของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก็เคยมีประเด็นข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะว่าจะมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่นะคะทางกรมสรรพากรนะคะก็จัดเก็บรายได้นะคะประมาณเอาไว้อยู่ที่ 1.9 ล้านล้านบาทนะคะก็ยังคิดว่านะคะสามารถที่จะ ชะลอตัวไป1ปีนะคะให้กับประชาชนนะคะในเรื่องของการเก็บแหวนเเปอร์เซ็นต์่ก็ในเรื่องของผู้ประกอบการธุรกิจนะคะหรือว่าผู้บริโภคนะคะก็ยังคงสบายใจได้กันอยู่นะคะเราไปกันที่ประเทศสวีเดนค่ะที่ประเทศสวีเดนนะคะโดย Mc Donald นะคะก็ได้สร้างทางเลือกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยการให้มีสถานีชาร์จไฟ ในสาขาของแมคโดนัลล์นะคะประเภท Drive ทูถึง55สาขาทั่วประเทศสวีเดนเลยค่ะนี่ก็คือว่าเป็นเทรนใหม่นะคะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกในการที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคุณผู้ฟังให้กับผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่ต้องการพึ่งพาพลังงานน้ำมันนะคะกำลังได้รับความนิยม เป็นอย่างมากในประเทศทางยุโรปนะคะเมื่อรถใช้ไฟฟา้าก็ต้องมีสถานีเติมไฟฟา้าใช่ไหมคะแมกโนนอลนะคะก็ได้ปิ้งไอเดียนี้ให้กับผู้บริโภคของแมกโนนอลนะคะก็สามารถที่จะนำรถนั้นนะคะไปเติมพลังงานไฟฟา้าในสาขาของแมกโนนอลได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่กี่สาขานะคะมีมากถึง 55สาขาด้วยกันค่ะทั้งนี้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าประเทศสวีเดนเนี่ยมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเขาได้มีการสำรวจค่ะพบว่า4ี่ิบเปเซนะคะมีปัญหาในเรื่องของผู้ขับขี่รถไฟฟ้าที่หาสถานีชาร์จไฟฟ้าได้ยากและถ้ามีจุดชาร์จไฟฟ้ามากกว่านี้ก็จะทำให้มีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแน่นอนค่ะ แโนจึงได้อยากมีส่วนร่วมกับกันแก้ปัญหานี้นะคะจึงได้มีการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าภายในสาขาขึ้นนะคะโดยจะ เริ่มนะคะในส่วนของโมเดลที่เป็น dive 2ต่อไปนะคะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะคะแต่ว่าข่าวยังไม่ได้บอกนะคะว่าอัตราค่าบริการชาร์จไฟเท่าไหร่ต่อนาทีนะคะแล้วก็ยังมีส่วนเสริมในเรื่องของเมนูแมคโดนัลล์เข้าไปด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเติมพลังงานให้รถยนต์แล้วก็ต้องเติมพลังงานให้กับตัวเองต่อไปค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงรถไฟฟ้าแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะต้องคิดอยู่ในใจแล้วว่าตอนนี้นะคะเราจะไปสู่เรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันแล้วเหรอแล้วราคารถยนต์ไฟฟ้าจะถูกลงหรือไม่นะคะจุดชาร์จไฟจะเพิ่มหรือว่าจะมีมากขึ้นในประเทศไทยหรือไม่ค่ะ ศูวนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ได้มีการสำรวจนะคะพบว่าปัจจุบันจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในทั่วโลกนะคะมีถึง5ล้านคันด้วยกันค่ะและในะสิ้นปีนี้นี่นะคะก็จะมีเพิ่มขึ้นนะคะโดยประเทศที่มียอดขายรถไฟฟ้าสูงที่สุดนะคะก็อยู่ที่ประเทศจีนรองลงมาก็คือที่สหรัฐอเมริกาค่ะ และสาเหตุที่รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็วก็เพราะว่าราคาแบตเตอรี่ถูกลงรถยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะแข่งขันกับรถยนต์ที่ใช้น้ามันเชื้อเพลิงดีขึ้นแล้วก็กระแสรักโลกนะคะการต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รัฐ ก, ก็ให้สวัสดิการมีการส่งเสริมสนับสนุนมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของสถานีชาร์จไฟฟ้าและระยะเวลาในการชาร์จไฟมากขึ้นนะคะดังนั้นหลายประเทศจึงได้ออกนโยบายทยอยลดการขับขี่รถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันค่ะอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสไต้หวันแคนาดาก็ได้มี การวางแผนนะคะคุณผู้ฟังลดการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันลงภายในปี2040จึงทำให้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันนี่นะคะการขายเนียชะลอตัวลงและรถยนต์ไฟฟ้าก็เริ่มที่จะครองตลาดมากขึ้นค่ะ ในส่วนบ้านเรานะคะ อ, อนาคตนะคะก็คงจะต้องเป็นไปนะคะอย่างประเทศอื่นๆที่ใช้รถไฟฟ้าเช่นเดียวกันดังนั้นนี่นะคะทางด้านของบริษัทน้ำมันและปิโตรเคมีไทยและบริษัทขนาดใหญ่ก็ได้มีการวางกลยุทธ์ขยายไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างเช่นการตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นปตทบางจากหรือจะเป็นคาเท็ซัสโกรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าหลายแห่งนะคะ ฉันเห็นมีสถานีหรือว่าจุดชาร์จไฟฟ้าแล้วก็รถที่ใช้ไฟฟ้าก็นิยมนะมาชาร์จกันนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินคา้าวินล่านะคะโรบินสันเซนทันซีพีออหรือจะเป็นที่ของศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆนะคะแล้วนอกจากนี้ธุรกิจที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคะ่ะที่จะมานำเรียนคุณผู้ฟังนั่นก็คือธุรกิจนาแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่นั่นก็คือการ reuse นั่นเอง เพราะว่าการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะอยู่ที่ 8-10 ปีเมื่อหมดอายุแล้วนะคะแบตเตอรี่เหล่านี้ก็จะกลายเป็นขยะในการที่จะสร้างปัญหาโมลพิษดังนั้นถ้าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพแล้วยังมีกำลังไฟมากถึง 70% ก็สามารถที่จะนำมาเป็นซ c ค n d ไลฟ์แบตเตอรี่ได้ก็คือการรี u s e ใหม่นั่นเองนะคะโดยสามารถที่จะกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ต่อไปอีกได้นะคะทางด้านรถยนต์โตโยต้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็จะนำเอาแบตเตอรี่ของรถยนต์ p u ีอูสไฮบริที่หมดอายุแล้วนะคะนำมาเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลา่าของร้านเซเว่ e อวในญี่ปุ่น อีกนะคะรวมไปถึงนิสสันค่ะก็จะนำแบตเตอรี่ของรถยนต์ i ิส a ันล a ฟซึ่งเป็นรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยมาใช้กับเสาไฟฟ้าส่องสว่างให้กับถนนในเมืองนามิเอะใกล้กับโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดชิด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนนะคะต่างก็รนรงนะคะในเรื่องของการ รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะและช่วยการในการป้องกันนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่จะทำให้เกิดมลพิษต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเทรนรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะราคาเนี่ยเมื่อก่อนนะคะสูงใช่คะแต่พอมีคนนิยมราคาก็จะถูกลงนะคะจึงทำให้อุตสาหกรรมนี้ธุรกิจพลังงานนี้นะคะก็จะ ถูกลงแล้วคนก็จะหันมานิยมใช้มากขึ้นธุรกิจพลังงานและรถยนต์ที่ใช้น้ามันก็จะลดความสําคัญลงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของมุมมองข่าวในวันนี้นะคะและดิฉันมีข่าวนะคะเรื่องของการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชาวอุบลราชธานีนะคะเมื่อพายุมานะคะจึงทําให้อุบลราชธานีนี้นะคะ เกิดน้ําท่วมตอนนี้นะคะก็ยังมีน้ําท่วมขังในหลายๆพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังท่านใดนะ่สนใจที่จะบริจาคนะคะมุงเต็นนอนหรืออาหารสัตว์นะคะยาทาน้ํากัดเท้ายาทากันยุงนะคะสามารถที่จะบริจาคไปได้ที่สารากลางจังหวัดอุบลราชธานีถนนแจ้งสนิทอําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีได้ค่ะ